อนุสัยที่เป็นโรคอุตรน้นมีปรมาณูวิเศษสุดทึ่งทวนปรมาณูของโรคอุตรธรรมนั้นจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันเหมือนการเข้าไปเรื่อยๆเป็นหนึ่งเดียวและสุดท้ายก็เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีเอกภาพที่มีทั้งปริมาณ quantity และคุณภาพค u a ลิตี้ที่ยิ่งใหญ่มีประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในโลกกล่าวคือล้วนไม่เห็นแก่ตัวเพราะล้วนพยายามลดความเห็นแก่ตัวจริงกระทั่งหมดตนของตนเองเข้าไปสู่ศูนย์เช่นเดียวกันจึงเสียสละความจริงใจบริสุทธิ์ใจสมัครใจเต็มใจพอใจ ชื่นใจอิ่มเอมใจสุขใจไปทิศทางเดียวกันซึ่งจะมีต่างกันก็คือต่างมีคุณธรรมที่เป็นโลกุตระมากน้อยกว่ากาันตามธรรมดาแห่งสัตว์จักแต่ต่างก็มีคุ ณ, ณวิเศษอุตริมนุสธรรมอย่างเดียวกันยิ่งยิ่งขึ้นเป็นสามัญญา ความปกติของผู้ไฝ่ความสงบในสังคมมนุษย์ที่ต่างก็สมาณตาัตาการทำตัวให้เข้ากันได้ไปตามยะถาภูตะยานของแต่ละคนผลที่เกิดแก่มนุษย์ส่วนรวมที่จะมีในสังคมตามพระพุทธเจ้าประมวลลงเรียกว่าพาหุชนะอิตายะ พระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะนั่นเองที่เป็นคุณสมบัติขั้นคุณวิเศษของความเป็นประชาธิปไตยอันพึงประสงค์ของคนทั้งโลกแท้ๆยอดนิยายของโลกก็จะเกิดจริงเป็นจริงได้จากเหตุนิทานสมุทัยปจยัจจัย เพราะมีคุณวิเศษอุตริมนุษยธรรมอย่างเดียวกันที่ไขความเป็นมนุษย์ให้แก่โลกซึ่งเป็นความลับยิ่งสุดลับในห้วงปรารถนาแสนลึกของมนุษย์ผู้มีความเป็นมนุษย์ทุกคนยกเว้นอมนุษย์คนผู้มีจิตใจยังไม่ใช่มนุษย์แท้จริงจริงความวิเศษนี้ในสังคมโลกปัจจุบัน จะสุดทึ่งหรือจะไม่เชื่อว่าจะมีได้เป็นได้จริงก็เป็นภาวะวิเศษที่เกินจินตนาการของคนแน่นอนโดยเฉพาะคนในยุคนี้